ถ้าพวกเราก็อยู่กันไม่กี่รูกไม่กี่คนแลน้วนะกลับมาสู่บรรยากาศที่ที่เงียบสงบอีกทีนนหนึ่งก่อนนั้นคนอาจจะเยอะหน่อยนะแต่ที่จริงก็เอาเข้าจริงๆพอคนเยอะแต่ถ้าแต่ละคนปฏิบัติธรรมนะมันก็ ม, มันก็แทบไม่วุ่นวายอะไรเนะ คือแต่ละคนพอรับผิดชอบตัวเองนะนะ่ก็ไม่ต้องให้คนอื่นมามาดูแลมารับผิดชอบหรือมาเตือนอะไรมากนะแต่ละคนพอรับผิดชอบตัวเองดนะีหรือตั้งใจปฏิบัติธรรมตั้งใจฝึกฝนตนเองเนาะมันก็ไม่มีปัญหานะบรรยากาศก็ก็สงบแล้วก็มีความสุขนะเบิก บ, บานที่เหมือน มีเพื่อนปฏิบัติด้วยกันเยอะๆนะมันก็ดีบางที่นะบางทีอยู่กันไม่กี่คนนะสองคนสามคนนะบางทีก็ไม่สงบก็มีน ะ, นะมีปัญหามีความขัดแย้งบางอย่างอันนี้มันก็ก็เห็นว่าบางทีปัญหานี้มันไม่ใช่อยู่ที่ว่า ปริมาณคนเยอะหรือว่างานเยอะหรือไม่นะแต่บางทีปัญหานี่มันอยู่ที่แต่และคนเขาไม่ค่อยรับผิดชอบตัวเองนะก็เลยพอไม่รู้ทันตัวเองก็ไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นเนะี่ยกลายเป็นปัญหาซึ่งกันและกันนั้นที่จริงภาวนาจริงก็เน้นเรื่องเนี่ยแหละการรับผิดชอบตัวเองนะ ทำยังไงเนะี่ยถึงจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองแล้วก็เมื่อเราไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเราก็ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับให้กับคนอื่นนั่นแหละความทุกข์ที่มันเกิดกับตัวเราเองเนะี่ยถ้าเราพิจานะรณาดีเกเรตตัญหาอัตตามาณ น, นะถ้าเราจะพิจารณามองในมุมที่ว่ามันเป็นตัวทุกข์เนี่ยมันก็ มันจะทําให้เราคล้ายเข็ดหรือเบื่อหรือว่าเออแม้บางทีมันเป็นแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นซ้ําอีกเนาะเพราะว่ามันเป็นเป็นความทุกข์นยะความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจนะบางเกสใครเป็นทุกขนะ์ก็เราเป็นทุกข์เลยแหลน ะ, ะเวลาถ้าเราไปเป็นกับอารมณ์พวกนั้นนะเวลา เกิดสภาวะมันก็เป็นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้คนส่วนใหญ่พอโกรธไม่พอใจก็จะระบายออกกับคนอื่นหรือกับสิ่งอื่นแทนนะเพื่อที่จะได้หายทุกข์หรือลดความทุกขนะ์แต่จริงก็ไม่ดูว่าที่จริงต้นตอความทุกข์มันอยู่ที่ใจเรานะใจเรามันเป็นทุกข์ จะไประบายที่อื่นมันก็ช่วยแค่ประเดียวประเดาหรือบางทีก็เกิดโทษนะเนาะแต่จริงถ้าพิจารณาเห็นโทษของความโกรธนะมันเป็นไฟความทุกข์นะความอยาก <c oughs> ความอยากก็ตั้งแต่ห ย, ยาบอยาจนกะทั่งถึงปานนี้นะพิจารณาดูดีๆนะออมันเป็นทุกข์ ไ, มไหมมนเนะยนะเวลาเราอยากได้อะไรนะ ือบางทีแม้แบบไม่อยากได้อะไรนะมันก็เป็นความทุกข์นะอืมอเวลาอยากได้มันจะรู้สึกเหมือนถ้าไม่ได้มันก็ไม่เจอความสุขสักทีไม่วางสักทีนะอืมหรือเวลาเราลงมเพลินนะแต่หลงเนี่ยบางทีมันมันก็ดูดูเป็นความทุกข์ยากนะหลงหลายอย่างมันหลงแบบหลงไรลนะไปกับมัน เป็นทางโลกเขาบางทีก็ลหลงไยในการในการหาอะไรกินอร่อยอร่อยนะก็ะกินไปก็เกิดความสุขนะลหลงใยในการฟังเพลงดูหนังนะมันก็เพลินไปนะกับเรื่องที่มันรู้สึกไม่ต้องคิดมากหรือมันก็รู้สึกเพลินเพินดีวันวันหนึ่งก็ผ่านไปเร็วคนหรือในทางธรรมนะบางทีลงหลงใยในสมาธินะ พอใจในความสุขในความสงบไปแช่อยู่กับมันนานๆก็ก็เพลินไปเหมือนกันตัวหลงนี่มันก็ยากที่จะเห็นเป็นทุกข์เหมือนกันนะตัวหลงนี่มันเพราะว่ามันมันเพลินมันไหลแต่ถ้าดูดีๆ ด, ดูว่าตัวหลงเนี่ยมันเป็นทุกข์ตรงไหนทุกข์เพราะมันติดใจนะมันพอใจอะไรที่มันเหมือนเป็นความสุขน ความสบายความเพลินเนี่ยสังเกตไห้ถ้าบางทีมันเคยเสพแล้วมันก็จะอยากเสพอีกเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้อันนี้แบบอยายาบนะเหมือนคนทั้งโลกบางคนเขาติดติดยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่นะมันก็รู้สึกว่าเมื่อมันเสพนะมันก็มีความสุขเมื่อมัน อยากจะเสพเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์นะมันก็ต้องสนองด้วยการเสพมันอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์ที่ชอบนะอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่สงบสุขอะไรมากๆเลยนะบาทีเราไปเสพจนมันคุ้นนะจิตมันก็ไปคุ้นตรงนั้นนะมันก็ไหลเพลินไปกับอารมณ์ตรงนั้นนะอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องระวังนะว่าเวลามัน มันเพลินมันพอใจกับอะไรถ้าหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็อย่าไปให้เห็นมันเออเห็นไหมเนี่ยมันเพลินเพินไปเนี่ยน่ะมันดูเหมือนสบายนะแต่ที่แต่แท้จริงมันมีโทษแฝงนะเพราะมันทําให้เราเสษติดมันเสษติดเนี่ยอพอใจนะเคยทําแบบนี้ไปบ่อยมันก็จะทําซ้ําไปเรื่อยเหมือนคนพอใจในการกินนะก็จะหา ที่กินหารสชาติการกินที่ที่อร่อยที่แปลกไปเรื่อยนะก็แสวงห า, ร, า, ร, าร้านนั้นดะ้านนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็แต่ละคนบางทีก็ไม่เหมือนกันหนักนะแต่รสชาติในอารมณ์มันคล้ายๆกันคือพระเจ้าทำไมท่านสอนเรื่องความทุกข์เพราะว่าท่านเห็นว่าความทุกข์นะ่ะมันมันแฝงอยู่ในกิเลสนั่นแหละนะ ในความโลภในความโกรธในความหลงนี่ยมันมีมันมีไฟกองทุกอยู่ในนั้นนะเราไม่รู้ตัวเราก็เลยเผลอไปจับไฟนั้นนะแต่มันเป็นไฟแบบไฟบางอย่างมันเป็นไฟเย็นนะไฟเย็นแบบไหนคล้ายค้าเหมือนน้ำแข็งนะน้ำแข็งแบบที่อุณหภูมิต่ำมากๆนะเราไปจับมนะัน เหมือนพวกนักเดินเขาที่เขาปีนเขาสูงๆนะบางทีขาไหม้บางทีอะไรไหม้ไม่ใช่ไหม้เพราะว่าถูกไฟความร้อนนะอยู่ในน้ำแข็งนะมันถูกน้ำแข็งกัดนะมันก็ไหม้ได้อันนี้ก็ไฟโทสะนะไฟความโกรธนะมันอาจจะร้อนมันจะชัดนะเราเห็นใจมันร้อนนะ ส่วนใ่เป็นร้อนที่แถวแหน้าอกเนี่ยเวลาโกรธมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแถวหน้าอกมันมันจะร้อนมันจะแน่นนะมันดันขึ้นมาความรู้สึกมันดันขึ้นมาเออเราก็ดูมันเดูอย่างไดนะถ้ากำลังสติพอนะก็ดูแบบไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปพยายามให้มันหายนะแค่แค่ดูนรู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นมาแล้วนะเราก็ดูมัน ไม่ได้อยากจะหายหรือไม่หายอันนี้เวลามันเกิดอะไรขัดใจขึ้นเกิดโกรกโกรกขึ้นมานะถ้าถ้าสติพอดูตรงๆไปเลยไม่ต้องไปไปทำอะไรกับมันแต่บางทีก็บางครั้งกาลังสติไม่พอนะกำลังสติไม่พอไม่พอนี่ดูแบบไหนไม่พอก็ดูว่ามันดูแล้วมันเข้าไปเป็นเข้าไปอินนะ ออกจากมันไม่ได้เหมือนรถติดลมนะพยายามจะดันขึ้นดันขึ้นนะแับยิ่งติดลงไปเยอะขึ้นเลืึกขึ้นเนี่ยอารมณ์ที่ว่ามันดูไม่ได้นะกรรมพิรติไม่พอมันติดลมขึ้นเหมือนรถมันติดลมถ้าแบบนั้นต้องแบบไหนนต้องเอาอะไรยกขึ้นมาก่อนใช่ไหมเหมือนรถมันติดลมมันต้องยกแม่แรงนะเดี๋ยวเอา ยกแม่แดงแล้วก็เอาหินเอาไม้ไปมาหนุนนะให้มันสูงขึ้นจิตใจเราติดดมก็เหมือนกันนะบางทีก็ต้องยกออกมาก่อนมันคือมันดูอารมณ์ตรงๆมันไปพุ่งไปเลยไม่ได้นะเราก็ต้องยกกลับมาก่อนกลับมาอะไรกลับมาหาหาร่างกายก่อนก็ได้นะกลับมาหากรรมาฐานที่เป็นที่ตั้งของเรานะเวลากลับมาเนี่ยกลับมา อนะกลับมาหายใจก็ได้นะสังเกตเวลาเราโกรธนะบางทีมันเหมือนหายใจไม่ค่อยออกนะมันอึดอัดนะหรือบางทีก็หายใจถีอนะแต่เราลองอืลองกลับมาหายใจนะสบายๆวางไปก่อนนะกลับมาหายใจให้มันสบายขึ้นนะความโกรธมันก็จะลดลงคล้ายๆเหมือน มันรถติดลมเรายกขึ้นมาก่อนนะยกล้อขึ้นมาก่อนนะเอาไรหนุนก่อนนเะนะี่ยกลับมาหาฐานนะกลับมาหาที่ตั้งนะหรือไปทำอย่างอื่นก่อนนะออกจากตรงนั้นนะไปเดินนะไปเดินเล่นนะไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะให้มันหลุดออกจากอารมณ์นั้นนะ อันนี้ยคือเมืนเป็นการถอนตัวเองออกจากลมก่อนนะอันนี้คือถ้ามันสติมันไม่พอเนาะเราก็ต้องฉลาดไปไปฝืนไปดูมันนะไปอยู่กับมันไม่ไหวนะมันก็ติดลมอยู่ตรงนั้นความอยากนะความรักอะไรพวกนี้ก็ก็เหมือนกันนะบางทีเราไปเพลินไปพอใจไปอยากได้มันเนี่ยมันก็ มันก็เป็นทุกข์นะมันก็ติดดมความคิดเหมือนกันนะวนเวียนอยู่ในความคิดนะบางทีพระพุทธเจ้าบอกบางทีมันมันวนอยู่ตรงนั้นมากๆากนะมันออกไม่ได้ดูไม่ได้นะแต่ถ้าดูได้นะก็ดูมันตรงๆไปเลยนะดูมันแสดงเลยมันก็จะเห็นการเกิดตักแต่บางทีบางอารมณ์มันดูไม่ได้ดูไม่ทันนะออกมาออกมาพิจารณาบ้างนะพิจารณาในที่นี้ไม่ได้พิพจารณามั่วสั่วนนะ อย่าพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาให้เราพิจารณานะอย่างพิจารณาปัจจัยสีนะ่มันเนี่ยก็ช่วยนะช่วยให้เราเห็นว่าเออบางทีไอ้ที่เราอยากได้จริงๆนะมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะอย่างบินท บ, บาทนะอาหารต่างๆเออพอเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าบอกนะด้วยคำแปลมนเะนี่ยมันก็เออทําให้เรา ลดความหลงไหลรุ่มหลงในรสชาติในการปรุงแต่งพวกนั้นลงไปเลยนะหรือบางทีวิจารณด้วยความเป็นธาตุเนะี่ยยิ่งนะยิ่งเห็นล้วโอ้มันร่างกายมันก็ประกอบด้วยธาตนะุสิ่งของต่างๆเนี่ยมันก็ประกอบด้วยธาตนะุมันก็แค่แค่เอาเอาธาตุต่างๆเข้ามาประกอบกันเท่านั้นเนาะ แต่ทําไมคนเราถึงหลงไห i, ลรุ่มหลงสแสวงหาที่จะอยากให้ธาตุมันมีแต่ความอรเ็ดอร่อยความเพลิดเพลินความพอใจนะ่หรืออาจจะที่จริงเราอาจจะไม่หลงตรงนั้นก็ได้นะอาจจะไปหลงว่าให้คนมองมองเราว่าเป็นอย่างไรนะเพื่อเราจะได้มีความมีความสุขถ้าเขามอง เราดีนะนะคนทางโลกนะักบางทีคนนี้ได้ไปกินกินของกินร้านอาหารที่ทแพงนะใช้เพื้อผ้าใช้กระเป๋าใช้รองเท้าที่มีลันิยมนะมีแบรนด์นะที่แพงไเนี้ยนะคนก็จะมองว่าเออคนนีเออ้เขาดีนะ อยากให้คนอื่นมองตัวเองดีแต่จริงถ้าค่อยจริงถ้าเราพิจารณาดูดีธรรมะเนี่ยการการคิดแบบนี้นะออมันยิ่งทําให้เราเหนื่อยเพราะเราเองต้องสร้างภาพให้คนอื่นเขามองเนี่ยขามองเห็นในภาพที่เราต้องการแสดงนแต่จริงถ้าทีพอคนว่าอย่างนั้นเราก็ หลงไปมีความสุขแต่คนในโลกนี้ก็ไม่ได้ชมเราตลอดหรอกนะก็มีคนไม่ชอบคนไม่ชมคนตำหนินินทานะถ้าคนที่วางใจแบบนี้นะคนชมก็สุขคนว่าก็ทุกข์นยะหลงในโลกกระทำนะหลงในโลกกระทำเพราะว่าเราไปเอาความสุขของทุกของเราไปไปฝากไว้กับคนอื่นนะหรือไปนะ เอาคนอื่นมาสะท้อนสะท้อนให้เราเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่คนภาวนาคนปฏิบัติทำจริงนะเราไม่ได้ไปมองไ ม, ไม่ได้มองฆ่าตัวเองที่ที่เสียงสะท้อนจากคนอื่นแต่เรามองดูทุ่ยตัวเองว่าเออวันวั น, ว น, นึงเนี่ยเออเราได้น่ทําอะไรที่ เราภูมิใจในตัวของเราเองไมนะ่ความภูมิใจเช่นไรเนี่ยเราได้เราได้พยายามฝึกฝนตันเองในแต่ละวันนะเราก็ภูมิใจตัวเองไดนะ้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะแม้บางทีคนอื่นเขาไม่รู้นะเราทําแบบไม่บอกทําแบบงเงียบๆเนะี่ยนี่เราก็ภูมิใจตัวเองได้ลนะอเรา เห็นอารมณ์ท <zo ys ic> ี่มันไม่ดีเห็นความอยากต่างๆเข้ามานะเราก็รู้ทันมันแล้วนะสะระมันแล้วเนี่ยลราก็พอใจนะเออเนี่ยเราได้ทางานนะได้ทำงานไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะไม่เบียดเบียนตนเองด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นความสุขจากข้างในนะความสุขจากการที่เราได้พอใจพอใจในการกระทำของตนเองนะ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยโดยความคิดหรือด้านกายหรือว่าจิตใจก็เหมือนกันเนี่ยพอเรากลับมาดูเอาที่จริงถ้าสุขแบบเนี้ยมันเป็นสุขแทนะ้เพราะเป็นสุขที่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าคนอื่นเขาให้ค่านะหรือเป็นสุขที่ต้องได้อะไรมานะแต่เป็นความสุขในการที่เราเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยมัน เราได้ทำอะไรที่เราพอใจเราภูมิใจในาการกระทํานั้นนะอืมท่นั้ น, ม, น, นมันจะเป็นความสุขนะสุขที่สงบเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเข้ามานะแต่เป็นความสุขภายในที่เราได้ทําความดีนะเป็นสุขภายในที่เราได้ละความชั่วเป็นสุขภายในที่เราได้เออเห็นกิเลสหรือทันกิเลสนะแล้วก็เห็นมัน เป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรอย่นี้ น, นะเห็นสภาวะธรรมที่จรเดินขึ้ น, นเรื่อยๆจเดินขึ้นเรื่อยๆนะสภาว ะ, ะธรรมที่เราฝึกหัดพัฒนาเนี่ยมันก็เห็นเห็นมากขึ้นนะเห็นละเอียดขึ้นนะปล่อยวางได้มากขึ้นนะในอารมณ์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือเราก็พอใจในสิ่งที่เราทำได้ นั่นที่จริงความสุขนะที่ปันนี่คือความสุขในการพอใจในตนเองนี่แหละนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปติดในความสุขหรือไปหลงนะไปหลงว่าเราดีกอดเขา้าไปหลงว่าเรามีความสุขมากอะไรนะบางทีอารมณ์พวกนี้มันก็อยากจะไปไปทาให้คนอื่นเขา เขาเปลี่ยนแปลงอะไรแบบมากมายนะมันทีมันก็คนอื่นบางทีเขาไม่เห็นโทษไม่เห็นคุณตัว น, นี้บางทีก็ไปบังคับยากเหมือนกันนะแล้วก็เออทําทตัวเหมือนกับต้นไม้นะเขาต้นไม้ก็ยืนด้วยความมั่นคงนะมีมีกิ่งก้านใบที่ให้ร่มเงาแก่คนที่มาอยู่ใกล้ๆนะ เราก็ทําตัวประมาณแบบนั้นแหละต้นไม้ไม่ได้เดินไปหาใครอะไรมากนะต้นไม้ก็อยู่กับที่เมื่อมีโอกาสคนคนที่เขาร้อนเขาก็มาหาให้เราให้เราได้เป็นที่พึ่งเนะื้อพระเองก็คล้ายๆแบบนั้นเลยนะเราก็อยู่วัดอยู่วาเป็นหลักนะอืก็มีญาติโยมมีคนที่เขาอยากจะ หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ได้มาอาศัยนะแล้วก็นำความสงบเริ่มเย็นไปให้กับเขานะแต่เดีนี้มันก็มีเชิงลุกนะออกไปซ้อนที่นั่นที่นี่นะมันก็เป็นเชิงลุกเหมือนเป็นการเคลื่อนที่นะมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันแหละนะเพราะบางที่เขาก็ไม่มาหาเรานะเราก็ต้องไปหาเขานะแต่ก็ อย่างว่าแหละนะมันก็แล้วแต่เขาได้ว่าเขาจะรักหรือเปล่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นธรรมะจริงๆนัให้เรามันมันฝึกฝนตนเองนะพิจารณาตนเองเนี่ยเป็นหน้าที่หลักนะของเราเอ่ยนะหน้าที่หลักในแต่ละวันแต่ละเวลานบางทีเกเรนมันหนามากก็พิจารณาช่วยนะพิจารณาช่วยในสิ่งที่มันตรงข้ามนั่นแหละนะ พิจนาช่วยนะแต่ไม่ใช่แต่คิดช่วยแบบนั้นพิจนาใช่ไหมันไม่ใช่เป็นการเป็นแบบคนทางที่เรียกว่าทั้งหมดเนาะนะนะมันแต่มันเป็นการเหมือนพิจารณานำร่องนะเหมือนปุดล้องความคิดไม่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ า, าความเห็นผิดของเราอะ่ะมันเช่นเห็นอะไรนะเห็น เห็นทุกว่าเป็นสุขนะเห็นความไม่เที่ยงว่าเป็นความเที่ยงเห็นความไม่งามว่าเป็นความงามนะเห็นความที่มันไม่ใช่ตัวเราเนีว่าเป็นตัวของเราเนี่ยเนี่ยมันเห็นผิดตอนนี้บางทีก็การพิจารณาเหมือนนำล่องเห็นเออที่จริงนะไอ้ที่ว่ามันสุขจริงๆรอ่ะพอเราพิจารณาดีเออมันก็เป็นทุกนะมันก็มีทุกนะ ความอยากความรับความชังเนี่ยมันมีทุกแสงพอเราเห็นเออจิตมันก็จะค่อยๆคายออกมานําไปสู่ร่องที่มันเห็นทุกนะแต่มันก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนหลักเราก็ต้องอืมฝึกขัดไปเรื่อยนะการพิจารณาต่างๆก็เป็นเหมือนการนําร่องของจิตะบางทีจิตมันซึมซึมนิ่งสงบเนี่ยบางทียิ่งต้องพิจารณานํามันนะก็มันจะมันจะซึมเกินไปนะ พิจารณาบนหยินลงในตจรักเนี่ยหละนะในรูปในนามนะตือพี่นาให้เห็นเป็นความทุกข์นะในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะแต่แบบพิจี่นานี้ไม่ใช่หนีมันนะไม่ใช่หนีความทุกข์นะแต่พิจารณาว่าไอ้ที่เราหนีมาอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งเนะพราะเรากลัวมันนะไอ้แต่เนี้ยเราก็พิจารณาเป็นตัวช่วยนะ จิตมันก็จะได้ทํางานในการเดิดปัญญานะเดินปัญญาคือเนนะ่ะดูดูรูปดูนามนะไปเรื่อยๆเนะี่ยดูไปจนเหมือนที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนะนะต่อตอนแรก ม, มันก็เห็นรูปเห็นนามนะต่อไปขั้นที่สูงขึ้นเนะี่ยเป็นเห็นนามมารูปเนะีนะ่ยเป็นนามธรรมานะแต่มัน สร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาคือไอตัวความคิดปรุงแต่งที่มันละเอียดขึ้นนี่แหละนะมันเป็นนามารูปนะถ้าเราเห็นมันชัดๆนะ่ะมันจะโอ้มันก็จะรู้ว่าไอตัวที่มันดอกจริงๆนะี่ตัวนามารูปนะที่มันสร้างนะสร้างเป็นตัวเป็นตนนะเน่ตัวตนเนี่ยมันสร้างเนียนเข้าไปนะในนามารูปเนะี่ยหลายอย่างนะ แม้แต่ที่พูดตอนแร ก, แรกนะความภูมิใจความพอใจที่เรามีในตอนแรกสุดท้ายเองมันก็เป็นเป็นนามรูปอย่างหนึ่งนะที่เราก็ต้องรู้ทันอืก็ต้องละมันแต่มันก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นลำหนับลำนาของมันเหมือนกันนะอืบางทีก็ต้องเนี่แหละเหมือนเราปฏิบัติทำนะบางทีมันก็มีความยากนะ อยากจะเข้าใจธรรมะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะทำกินให้มันสะอาดขึ้นนะก็เอาความอยากคนนี้เป็นตัวนำนะแต่เป็นตัวนำให้เรามาทำนะแต่ขณะที่ทำก็วางมันแบบอะไรแบบนี้นต้องทาแบบนี้นะคือเอามันเป็นแรงจูงใจในการทำความเพียรนะแต่พอขณะที่ทำความเพียรก็ให้วางมันวางมันเนะพราะถ้าเราไม่วางมันเนี่ยมันจะเป็นทุกข์นะ เมือนเราจะเมือนเราจะเรากินข้าวนะเพราะมันหิวเราก็อยากจะให้มันหายหิวนะก็ต้องกินข้าวนะแต่ขณะที่กินเองเราก็จะไปคิดว่าเมื่อไรมันจะอิ่มนะเมื่อไรมันจะหายหิวนะการคิดแบบนั้นมันไม่ไช่วยให้หายนะแต่การกระทําการกินข้าวเนะ่ะเป็ตัวช่วยหายนะนั้นเราจะมีเป้าหมายว่าเราอยากจะภาวนาเพื่ออะไรนะ แต่แกไปถึงจุดไหนนะแต่พอภาวนาจริงๆก็ต้องวางมันนะมาอยู่ที่การกระทํำนะทาเหตุของมันนะทํากายทําวาจาทําใจนี่แหละนะให้มันเป็นสัมมาขึ้นมานะเนะี่ยเราก็จะเห็นนะสิ่งต่างๆนะมันเป็นทุกข์อย่างไรนะนะมันเกิดทุกข์ได้อย่างไรนะทุกข์มันอยู่ทุกข์มันดับไปแบบไหนเนะี่ย นั่เนี่ยคือปัญญามันจะเห็นต่อไปเราก็จะรู้ทันจิตมันซึมซับตัวนี้บ่อยๆนะมันก็จะรู้ละสิ่งนี้มเป็นของร้อนมันเป็นทุกข์นะมันเด็กมันบางทีห้ามไม่ให้ไปเล่นไฟบางทีมันมันไม่เชื่อนะบางทีมันไปจับไฟเองน่ะมันถึงรู้ว่าร้อนนต่อไปพอมันไปถูกเองมันก็ชักมือออกมาของมันเองนะจิตแบบนะหจิตถ้ามันเห็นทุกข์จริงเหมือน เหมือนร่างกายไปถูกกับความร้อนมันก็ชักออกมานหนีออกมาแต่เพราะบางทีเราเองนี่นแหละนะไปอยู่ในความทุกข์จนชินก็เลยไปอยู่ในความร้อนจนจินเลยไม่ยอมถอนตัวเองออกมาหรือบางอย่างก็ไม่รู้มันเป็นของร้อนนะเช่นไฟเย็นน ะ, นะความสนุกความเพลิดเพลินนันนะมันเป็นไฟเย็นบางทีก็ไปหลงอยู่กมันนานนะก็ เดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นแผลไหมขึ้นมาก็ได้ น, ะนั้นบางทีความสุขกับความทุกข์นะมันก็เลยเป็นเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นความหลงแบบหนึ่งบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกไอ้ที่มันดีกว่าคือความไม่สุขไม่ทุกขนะ์คือพ้นจากความสุขพ้นจากความทุกข์นะ สภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเป็นสภาวะที่ที่มันเหนือขึ้นมานะถ้ายัางพอใจในความสุขเนะไม่พอใจในความทุกเนี่ยจมในความทุกเนี่ยมันก็ก็ยังอยู่กับโลกอยู่นะแต่ถ้าเห็นมันพ้นมันกันเนี่ยเห็นความสุขเห็นความทุกเนี่ยไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกเนี่ยเนี่ยมันเหนือขึ้นมาเนี่ยเรา พวกเราโชคดีนะผมอัตมามองพวกเราโชคดีได้เราได้มีการอยู่วัดนะได้มีเวลาภาวนามากกว่าคนทั่วไปนะแล้วก็ได้คำสอนจากครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านชัดเจนในสภาวะธรรมแล้วก็ไม่อ้องพร้อมนะอย่างหลวงพ่อเทียนเน่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมได้ในดึกซึ้งแล้วก็ นะแล้วก็ชัดเจนมากนะไม่แล้วก็ไม่ให้เราไปหลงกับเรื่องภายนอกอะไรมากนะวิธีกรรมหรือว่าเรื่องบุญทานอะไรก็ไม่ได้ไปให้เราไปทำอะไรตรงนั้นมากมายนะท่านให้เรามาททำที่จิตที่ใจของเราโดยตรงเลยนะในการมีสตินะีนะ่มันเป็นทางตรงมากเลยนะเราเองก็ได้ เราโชคดีนะที่ได้มีครูบาอาจารย์เช่นนี้นะแม้ท่านจะดับพันธ์ไปแล้วนะละสังคารไปแล้วนะเรายัางโชคดียังได้ฟังธรรมนะจากดีๆนะเสียมของท่านได้เห็นภาพจากดีวีดีบ้างนะได้อ่านหนังสือนะได้แปลหนังสือของท่านบ้างมันก็เป็นโอกาสดีละที่เราได้ได้เห็นความลึกซึ้งนะ ในพระธรรมของท่านนะเราก็ย่อยสิ่ง น, นั้นมาสู่ภาคปฏิบัติของเราเองเนาะให้เกิดประโยชน์ตนนะเกิดประโยชน์ตนเดี๋ยวก็เกิดประโยชน์ท่านนะแนวคพอบคู่ ก, กันไปเนะาะก็ฝากไว้ครับ